ไม่วุ่นวายไปตามอำ น, นาจของอารมณ์หรืออำ น, นาจของกิเลสมีสติบริสุทธิ์คอยกำหนดแต่นามรูปนี้ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าปริสุทธทุพเตขาคือมีความวางเฉยไม่วุ่นวายจิตไม่วุ่นวายเป็นจิตที่ปลอดโปรง่งแล้วก็เป็นจิตที่หมดจดเพราะเป็นผู้ที่มีสติโดยสมบูรณ์โดยบริสุทธิ์ อย่งนี้เรียกว่าปริสุดทุกเบขานะเป็นอุเบขาข้อที่สิบฉะนั้นในอุเบขาที่ท่านกล่าวไว้ในองค์ของฌานโดยเฉพาะองค์ของปัญจมชฌานเนี่ยทีเรียกว่าอุเบขากับเอกคตานั้นท่านหมายถึงตัวฌานุเกขาซูเ บ, ข า, เบขาที่เป็นตัวประจาําฌานประจําตัวปัญจมชฌานโดยเฉพาะ อุเบกขาอย่งอื่นที่เราจะพบหรือได้ฟังต่อไปนั้นก็มีความหมายแตกต่างกันออกไปดังที่ได้อธิบายมานี้เพราะว่าอุเบกขาแต่ละประเภทนั้นย่อมมีสุภาพอารมณ์เนี่ยไม่เหมือนกันเราที่ศึกษาถึงเรื่องอุเบกขาเราก็จะได้เข้าใจว่าการวางอุเบกขาในสิ่งหลายนั้นจะวางกันแบบไหนจะแช่อุเบกขาประเภทใดจึงจะเกิดประโยชน์บ้าง ในด้านของการปฏิบัติธรรมนี่เราพูดกันในเรื่องของพาวธรรมที่อันเป็นส่วนการปฏิบัติแต่ว่าถึงแม้ปัจจุบันนี้บางท่านจะไม่ได้ถึงปัญจมาฌานขนาดมีฌานุเปกขาเกิดขึ้นกน็ดีหรือไม่ได้สมเร็จเป็นพระอรหันต์ถึงกับจะต้องมีฌ า, านคุเบขาเกิดขึ้นแก่ตนเองก็ดีเราก็ควรจะได้สุดผลจิต ขอให้เรารู้จักวางเฉยในสิ่งทั้งหลายได้บ้างเราก็จะไม่เกิดความทุกข์จุดเกินไปนักนบางอย่างที่ควรจะเฉยียได้เราก็ควรจะเฉยควรวางเฉยในสิ่งนั้นสิ่งใดเกิดขึ้นแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ดีจะไม่เป็นธรรมต่อเราแต่ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีธรรมดาอย่างหนึ่งว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไป็นที่สุดจะดีหรือไม่ดีก็ต้องดับไปทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดนี้จะคงอยู่ถาวร ถ้าเราได้กระทบกับสิ่งที่ไม่ดีเราวางเฉยไปบ้างดูความดับไปของสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นเราก็ไม่เกิดความทุกข์และวุ่นวายใจเราก็อยู่ได้อย่างสบายเพราะว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปสิ่งใดไม่ดีเกิดขึ้นก็นดับไปสิ่งใดดีเกิดขึ้นก็นดับไปการรู้จักวางเฉยได้เด ย, ย่งนี้ก็จะทาให้เรานี้ไม่เป็นทุกข์จึเกิดเป็นนั่น เพราะปัจจุบันนี้สภาพธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นปรากฏแก่เราแวดล้อมเราอยู่ย่อมมีสภาพที่ต่างกันและก็เป็นไปในลักษณะที่ต่างๆกันตามที่เรารู้จักวางเฉยกันได้อย่างนี้ก็จะทําให้เราเปฏิบัติตนให้เป็นสุขได้อย่างในชีวิตปัจจุบันถึงจะไม่เป็นพระศีนาศกเราก็รู้จักใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันทุกๆ ท, ท่าน ตึ่ษาว่าทําได้อยู่เสมอเสมอต่อไปเมื่อจิตข้างน้า น, านี้ได้รับการอบรมสูงขึ้นแล้วสภาพธรรมก็จะประณีตเกิดขึ้นเองดีกว่าที่เราจะไม่เริ่มต้นจากการปฏิบัติจากน้อยหรือจากอยากไปทู่ละเอียดซึ่งผลสุดท้ายเราก็จะไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นความเป็นผู้รู้จักเอาธรรมะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ก็เท่ากับว่าเราได้แสวงหาสารประโยชน์ในศาสนานี่ได้ โดยที่เป็นผู้ที่ไม่ปราประโยชน์จากศาสนาเป็นผู้ที่ได้รับสาระในศาสนานี้บ้างพอสมควรวันนี้การบรรยายมาก็จะบรรยายมาพอสมควรเกินเวลาแล้วเพราะฉะนั้นขอหยุดติการบรรยายไว้เป็นสิ่งนึ้งการบรรยายวิสุทธิมรรคครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องอุเบกขาให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไปแล้ว ถึงสิบประการด้วยกั น, อ, นอุเบกขาญาณ น, นั้นเป็นเรื่องของสภาวธรรมที่เราจะต้องศึกษากันให้เข้าใจเกี่ยวกับในด้านของการปฏิบัติสาหรับในวันนี้จะได้พูดถึงอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติอยู่สามอย่างด้วยกันถือว่าเป็นอันตรายอย่างหนึ่งของผู้ที่ปฏิบัติธรรม ถ้าพูดถึงเรื่องอันตรายของผู้ปฏิบัติธรรมแล้วท่านทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าทำไมการปฏิบัติธรรมยังจะต้องมีอันตรายอีกหรือเพราะอันตรายนี้น่าจะมีสำหรับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมนั่นแหละจึงจะมีอันตรายมากสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหรือผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมนั้นจะมีอันตรายอย่างไร ความจริงเรื่องของอันตรายนั้นเกิดขึ้นกับสัตว์ได้ทุกจาพวกไม่ว่าเราจะอยู่ในศีลในธรรมหรืออยู่นอกศีล น, นอกธรรมก็มีอันตรายทั้งนั้นอย่างในปัจจุบันนี้ชีวิตของเครือขัดกับชีวิตของพระสงค์ก็ไม่ต่างกันเท่าไหรนะ่นักในด้านของความมีอันตรายคืออันตรายของเครือขัดก็มีอันตรายของพระสงฆ์ก็มี แปลว่าอันตรายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่อันตรายเหมือนอย่างที่เราจะได้พบกันอย่างแบบคารวาสที่จะต้องไปพบพยันตรายต่างๆแต่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละบุคคลเองโดยเฉพาะอันตรายที่จะมีใครมารอบทําร้ายอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการฝรั่นแกล้งด้วยความอายุติธรรม หรืออย่างใดอย่างหนึ่งนั้นอันนั้นเป็นอันตรายภายนอกแต่อันตรายที่เกิดขึ้นกับบุคคลผู้ปฏิบัตินั้นเป็นอันตรายภายในผู้ปฏิบัติธรรมก็หาได้พ้นอันตรายทั้งสาประการนี้ไปไม่ต้องประสบอันตรายเหมือนกันอันตรายข้อแรกที่สุดในบาลีใช้คาว่ากิเลสันตรายะแปลว่ากิเลสเป็นอันตราย ประการที่สองกรรมมันตรายะแปลว่ากรรมเป็นอันตรายประการที่สวิปากันตรายะแปลว่าผลของกรรมเป็นอันตรายเนี่ยอันตรายมีอยู่สากิเลสันตรายะกรรมมันตรายะวิปากันตรายะอันตรายทั้งสมประการนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องป้องกันไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกิเลสสันตรายะอันตรายอันสคัญของผู้ปฏิบัติธรรมก็คือเรื่องของกิเลสเราถือว่ากิเลสเนี่ยเป็นอันตรายร้ายกว่าอันตรายภายนอกมากมายอันตรายอื่นๆภายนอกเราถือว่าเราป้องกันได้เพราะว่าอันตรายเหล่านั้นบางทีก็ปรากฏให้เราได้เห็นเสียก่อนเราอาจจะ เตรียมตัวไว้ป้องกันได้ทันท่วงทีหรือบางทีเราก็อาจจะแก้อันตรายทางหลายเหล่านั้นให้หมดไปได้เพราะว่าอยู่ในภายนอกถึงอย่างไรเราก็ยังตั้งตัวได้ทันสิ่งใดเกิดขึ้นภายนอกห่างจากตัวเราเรามีโอกาสมีเวลาที่จะตั้งหลักรับสู้อันตรายเหล่านั้นจึงถือว่าอันตรายภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สาคัญ ข้อนี้เหมือนกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ถึงเรื่องอันตรายของพระพุทธศาสนาถ้าจะถามว่าอันตรายของพระพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นจากใครใครที่สามารถจะทำลายพระพุทธศาสนาได้ท่านตรัสว่าอันตรายที่ร้ายที่สุดที่จะเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนานั้น ก็คืออันตรายที่เกิดขึ้นจากพุทธบริษัทเองพุทธบริษัทในที่นี้ก็คือเกิดจากพระภิกษุเกิดจากภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาถ้าหากว่าอุบาภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกามิได้เป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนาแล้วใครๆก็ทําลายพระพุทธศาสนาไม่ได้ถ้บอกแม้แต่ดิน แม้แต่ฟ้าอากาศคือภัยธรรมชาตินะ่ะก็ไม่สามารถที่จะทําลายศาสนาได้อย่าว่าแต่ภัยที่เกิดขึ้นจากพวกโทสันตระบุคคลคือบุคคลที่มุ่งร้ายต่อพุทธศาสนาเลยเระบอกแม้แต่ธรรมชาติปัญต่างก็ไม่สามารถที่จะทําลายพระพุทธศาสนาได้ถ้าหากว่าพุทธบริษัทไม่ตั้งตนเป็นศัตรูต่อศาสนาเลยก่อนฉะนั้น ถ้าพูดถึงภัยของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสชี้ไปว่าพุทธบริษัทนี่เองที่เป็นภัยเราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็เป็นภัยร้ายแรงที่อาจจะทำความเสื่อมให้แก่ศาสนาได้เช่นเราจะทราบได้จากในประวัติศาสตร์มาว่าความอ่อนแอของพระพุทธศาสนานั้นเกิดมาจากพุทธบริษัท เป็นเหตุเช่นความแตกสามัคคีในหมู่สงฆ์พระแตกแยกเป็นนิกายแปกแยกเป็นหมู่คณะนั่นถือว่าเป็นความอ่อนแอของพระพุทธศาสนาหรือบางทีพระสงฆ์ก็ตั้งแง่ริษยาทำลายล้างซึ่งกันและกันนั่นก็เป็นจุดอ่อนแอของพระพุทธศาสนาและอันนี้แหละที่เป็นภัยอันตรายของพระพุทธศาสนาประการหนึ่งหรือมิฉะนั้น อุบาสกและอุบาสิกาก็ตั้งตนเป็นศัตรูซึ่งกันและกันอุบาสกเป็นศัตรูกับพระสงฆ์บ้างอุบาสิกาเป็นศัตรูแก่พระสงฆ์บ้างหรือพระสงฆ์ไปเป็นศัตรูกับอุบาสกและอุบาสิกาบ้างความแตกแยกกันในหมู่พุทธบริษัทนี่เองที่เป็นจุดอ่อนแอของพระพุทธศาสนาและเป็นเหตุหนึ่งที่ทาให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเสื่อมทรามลง ฉะนั้นความไม่มั่นคงของพระธรรมวินัยหรือความอ่อนแอของพระพุทธศาสนาที่ไม่เจริญก้าวหน้าไปเท่าติดขวนนี้ส่วนมากเกิดจากพุทธบริษัทเองแล้วก็ที่เกิดจากพุทธบริษัทนั้นก็คือเกิดจากกิเลสที่มีอยู่ในจิตของพุทธบริษัทความรู้เท่าไม่ถึงการบ้างอำนาจแห่งความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างสิ่งทั้งหลายลาเหล่านี้ที่เป็นอันตราย อันสำคัญที่ทําให้พระพุทธศาสนาเราต้องประสบกับอันตรายฉะนั้นพระพุทธองค์จึงชี้ไปสู่พุทธบริษัทว่าความเสื่อมนั้นย่อมเกิดจากพุทธบริษัทเองคือความทําลายล้างซึ่งกันและกันเองในหมู่ของพุทธบริษัทไม่ใช่ช่วยกันเสริมสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นนั่นเป็นจุดของความเสื่อมทางหนึ่งฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่ พระพุทธองค์ได้ชี้ถึงอันตรายที่เกิดขึ้นภายในนั้นก็เพราะว่าอันตรายภายในเนี่ยใกล้ชิดกับตัวเรามากที่สุดอันตรายข้อแรกก็คือกิเลสกิเลสนี่ถือเป็นอันตรายอันสําคัญของผู้ที่ปฏิบัติธรรมถ้าเรามุ่งการปฏิบัติไปสู่ความสงบหรือจะมุ่งปฏิบัติไปสู่มรรคผลนิพพานเพียงแค่กิเลสเกิดขึ้นภายในจิตเท่านั้นกิเลสนี้ก็เป็นอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมของเราเสียแล้ว ทำให้การปฏิบัตินั้นล่าช้าแล้วก็ไม่ได้ดผลเช่นพอความโลภเกิดขึ้นเข้าครอบงำเราก็ไม่เห็นอานิสงส์ของการบริจาคทานไม่เห็นอานิสงส์ของการเสียสละความโลภยังเป็นบอ่อเกิดให้เราเห็นเก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่ว่าจะทิดทําอะไรทั้งหมดก็มุ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นส่วนใหญ่ความเสียสละก็มีน้อยนี่แสดงให้เห็นว่าพอโลภเกิดขึ้น การปฏิบัตินั้นก็เสื่อมลงความโลภจึงเป็นอันตรายทางหนึ่งที่อยู่ในข้อกิเลสันตรายะถ้าความโลภไม่เกิดบางครั้งความโกรธเกิดขึ้นพอความโกรธเกิดขึ้นจิตนี้ก็มุ่งปัทุศร้ายบุคคลอื่นหรือไม่เช่นนั้นก็ปะทุศร้ายตนเองทําให้จิตใจเกิดความทุกข์ความเร้าร้อนขึ้นมาเกิดอารติขึ้นมาในใจ และก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เราต้องทอดทิ้งต่อการปฏิบัติธรรมเพราะอำนาจของความโกรธความโกรธนั่นเองที่ทำให้บุคคลนี้ประกอบความดีเนี่ยไม่สาเร็จก็แสดงให้เห็นว่าความโกรธนี้เป็นอันตรายอันสำคัญอีกประการหนึ่งประการที่สามคือความหลงความหลงหรือโมหานั้นคือการขาดสติ บ, บ่อยๆ การรู้เท่าไม่ถึงการความขาดสติก็ดีความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีเป็นเรื่องของโมหะธรรมฉะนั้นถ้าโมหะเกิดขึ้นโมหะนี้ก็เป็นอันตรายอีกทางหนึ่งที่ทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นไม่สามารถบรรลุถึงผลแห่งการปฏิบัติได้ตรอดจนกิเลสน้อยใหญ่อื่นๆที่มีอยู่มากมายกิเลสเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายทั้งสิน้นคือเราจะต้อง เข้าใจก่อนในระหว่างการปฏิบัติว่าการประทฤติปฏิบัติธรรมนั้นคือการมุ่งที่จะขัดเกลาจิตของเราเนี้ให้ผ่องใสขึ้นตามลําดับเรามุ่งที่อบรมจิตนี้ให้มีคุณธรรมต่างๆพยายามกวาดล้างความชั่วร้ายต่างๆที่มีอยู่ในจิตให้หมดให้เบาบางลงนี่เป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมผู้ที่เริ่มเข้าสู่การปฏิบัตินั้น จะต้องทำสงครามกับกิเลสก่อนอย่างน้อยก็ต้องมุ่งที่จะต้องขจัดกิเลสนี้ให้หมดไปเราจะเห็นว่ากิเลสนี้เป็นมิตรกับเราไม่ได้ต้องเห็นแต่ว่ากิเลสเนี่ยเป็นศัตรูและตราบใดถ้ากิเลสยังอยู่ในจิตแล้วอันตรายก็เกิดขึ้นแก่เราทุกๆขนาดไม่ว่าจะทำอะไรมีอันตรายทั้งนั้นอาจจะทำให้เราถึงกับตกนรกหมกไหม้ก็ได้ด้วยอำนาจของกิเลสนี้ หรือกิเลสนี้อาจจะพาเราไปสู่ความทุกข์ความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เราต้องเห็นโทษของกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตเมื่อเห็นโทษของกิเลสอย่างนี้เราก็มีหน้าที่อยู่อย่างเดียวว่าเราจะต้องรณรงค์กับกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตของเราสนใจแต่ในเรื่องของเราเองเท่านั้นกิเลสในตัวเรามีเท่าไหร่ก็พยายามขจัดให้หมดไปเราไม่จาเป็นต้องไปสนใจ ในกิเลสของคนอื่นเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นถ้าโมสนใจกับคนอื่นแล้วตนเองก็หมดโอกาสที่จะปฏิบัติเหมือนกับเวลานี้บางท่านไปสนใจคนอื่นมากไปตัวเองก็เลยปฏิบัติธรรมไม่ได้บางทีไปสนใจว่าเออคนนู้นเขาก็เข้าวัดมานานแล้วก็ไม่เห็นว่าจะสําเร็จมรรคผลอะไรก็ไม่เห็นว่าจะดีขึ้นคุณแม่เรา คุณย่าคุณยายคุณตาของเราก็เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆแต่ท่านก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆเสร็จแล้วเราก็เลยไม่เข้าบาัตรอันนี้เราไปโมสนใจในกิเลส ข, ของคนอื่นเขาผลสุดท้ายเราก็เลยไม่ได้ปฏิบัติคือเรื่องกิเลส ข, ของใครทุกคนต้องสนใจกันเองการปฏิบัติธรรมนั้นท่านไม่ให้สนใจในเรื่องของคนอื่นแต่ให้สนใจในเรื่องของตนเอง เราต้องพยายามทําตัวเองนี้ให้ดีขึ้นสักก่อนถ้าตัวเองยังไม่ดีเระมัวแต่จะไปมุ่งหรือจ้องจับผิดคนอื่นเราเองก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติผลสุดท้ายก็เสียประโยชน์ไปเพราะว่าเวลาที่ล่วงเลยไปนั้นเรามัวมุ่งไปดูกิเลส ข, ของคนอื่นกิเลส ข, ของเราเกิดขึ้นเท่าไรเราก็เลยไม่รู้เรื่องหรือบางทีเรามุ่งที่จะไปตําหนิติเตียนคนอื่น ตัวเราจะเร็วแค่ไหนเราก็ไม่รู้เรื่องผลสุดท้ายก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้จิตของเรานี้ตกต่ำลงตามลาดับเพราะว่าการที่เราไปสนใจในความไม่ดีของคนอื่นหรือกิเลส ข, ของคนอื่นนั้นเป็นการคอบคูนกิเลสให้เกิดขึ้นในตัวเราเองแล้วเราลองพิจารณาดูวันเวลาที่ร่วงเลยไปทุกๆขณะจิตเพียงแค่เรานั่งปฏิบัต มุ่งขัดกราวจิตชั่ววันหนึ่งบางทีอคุศลก็ยังไม่เบาบางลงบางทีเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเด็กข่มอกุศนไว้เท่านั้นเองแม่อกุศลเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่ข่มไว้เท่านั้นยังตัดก็ตัดไม่ได้หมดเวลาไปแล้ววันหนึ่งและวันหนึ่งที่หมดไปนี้เราก็เรียกร้องคืนมาไม่ได้ถ้าหากว่าเราจะคำนวณเวลาของชีวิตว่าทุกทุกชีวิตที่กำลังเป็นอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ เรามีเวลาเหลืออยู่ในโลกนี้อีกคนละกี่สิบปีแล้วก็คิดคำนวณดูเวลาที่เหลืออยู่ในโลกว่าเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้น้อยหลือเกินเราจะเห็นว่าถ้าเราจะใช้เวลาเหล่านี้ประกอบแต่คุณงามความดีอย่างเดียวไม่เอาเวลาเหล่านี้ให้เสียไปแม้แต่การไปคิดถึงความชั่วของคนอื่นโดยเราสำคัญว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนชั่วแต่เพียงแต่เราไปสนใจความชั่วของคนอื่น ก็เสียเวลาไปทั้งแยะแล้วการเสียเวลาไปในเรื่องเหลา่านี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เรามีเวลาปฏิบัติธรรมน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าคำนวณถึงเวลาที่เรามีอยู่ในโลกแล้วหรือน้อยจริงๆยิ่งถ้าหากว่าคิดถึงงานที่เราทาด้วยแล้วก็เวลาที่เรายังเหลืออยู่เวลาไม่พอให้เราได้ทำความดีหรือได้ทางานที่จะเป็นประโยชน์ไม่พอ เราเริ่มทำความดีกันตั้งแต่อายุ20ปีก็ยังไม่ไม่พอเวลาที่เหลืออีก55ปีก็ยังไม่พอในการที่จะทำความดีเนี่ยให้สาเร็จรุ่งไปแสดงให้เห็นว่าเวลาที่แต่ละบุคคลจะใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตนี้มีน้อยมากเพราะฉะนั้นเราต้องคํานึงถึงเวลาเนี่ยให้มากที่สุดอย่าให้เวลาเนี่ยเสียไปในทางอกุศล แต่ต้องใช้เวลาเนี่ยให้เป็นประโยชน์ให้เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะมีโอกาสทําความดีได้มากในชีวิตของเราทําความดีได้มากถ้าหากว่าเรารู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์คือสนใจในเรื่องของตัวเราเองฉะนั้นจุดหมายของการปฏิบัติธรรมนั้นพระพุทธองค์จึงมุ่งสอนให้เรานี้พยายามสนใจตัวเองให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตที่นึกคิดในเรื่องราวต่างๆ เราต้องมีสติกำกับตามอยู่ตลอดเวลาว่าเราคิดในเรื่องอะไรถ้าหากว่าจิตนี้คิดในเรื่องอกุศลต้องรู้เท่าทันแล้วว่าขณะนี้อกุศลเกิดแล้วแล้วก็พยายามดับอกุศลเหล่านั้นให้หมดไปเสียถ้าเก็บเอาไว้ก็ทําให้จิตเนี่ยเกิดความเศร้าหมองขึ้นต้องพยายามดับอกุศลต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตแล้วจิตของเราก็จะเป็นสุข ไม่เกิดความเศร้าหมองขึ้นมาด้วยโดยเราพยายามใช้เวลาที่สูญเสียไปนี้ได้พิจารณาจิตของเราเองแล้วก็มุ่งที่จะขจัดสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราเนี่ยให้หมดไปเรื่องของจิตเป็นเรื่องสำคัญพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้หลายแห่งในคำภีพระสุตตันตปิฎกอังคุตรณิกายในเอกนิบาตท่านได้ชี้ว่าไม่มี สิ่งใดจะมีความสําคัญเท่ากับจิตเลยเพราะบุคคลที่มีจิตไม่ดีย่อมนําความเสื่อมมาสู่ตนเองและผู้อื่นอย่างมากมายสมมติคนที่มีจิตวิปลาสหรือมีจิตที่ถูกอกุศลเข้าครอบงำมีอันตรายมากมายกว่าสิ่งอื่นมากมายแสดงให้เห็นว่าตัวกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตมีอันตรายมาก ที่เป็นหมอกเกิดของความวุ่นวายในสังคมมนุษย์ก็เกิดมาจากจิตประเภทนี้ความวุ่นวายในโลกที่เกิดขึ้นก็เกิดมาจากกิเลสเพราะจิตของบุคคลมีกิเลสและต่างฝ่ายต่างก็เอากิเลสนี้เข้าหากันความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์แสดงให้เห็นว่ากิเลสนี้เป็นภัยร้ายแรงอันหนึ่งสาหรับตัวเราทุกคนเพราะว่าเรายังเป็นปุถุชนอยู่เราก็มีกิเลส การปฏิบัติธรรมนั่นคือการใช้สติสัมปชัญญะควบคุมมิให้กิเลสเหล่านี้เข้ามามีอิทธิพลในจิตของเราหรือถ้าหากว่ามันเกิดหลงเข้ามาเกิดขึ้นเรารู้เท่าทันเราก็ระ ง, งับไว้ได้พยายามอย่าให้กิเลสเหล่านี้เข้าครอบงำเราก็ปฏิบัติธรรมได้ผลการปฏิบัตินั้นจุดร้ายแรงอยู่ที่ตัวกิเลส คนที่ปฏิบัติทําให้สำเร็จนั้นเราจะไปโทษหลักปฏิบัตินั้นก็ไม่ถูกเราจะบอกว่าธรรมะปฏิบัติแบบนี้ไม่ดีปฏิบัติแล้วไม่เกิดผลหรืออย่างที่คณาจารย์บางท่านบอกว่าสมถะไปปฏิบัติทําไมไม่ดีต้องวิปัสสนาวิปัสสนาก็ต้องอย่างนี้ถึงจะดีอย่างนั้นไม่ดี มีการแยกด้วยว่าการปฏิบัติธรรมอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าธรรมะต้องดีทั้งนั้นแต่ว่าคนปฏิบัติเองต่างหากปฏิบัติไม่ดีธรรมะก็ไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรมะดีทั้งนั้นแต่ว่าเราเราต่างหากที่ไปปฏิบัติไม่ดีธรรมะนั้นย่อมย่อมดีทุก ข, ข้อที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ปฏิบัติตา ม, ตามทั้งนั้น แต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติไม่ได้เราจะบอกว่าธรรมะไม่ดีนะไม่ถูกเราจะต้องตาหนิตัวเราเองว่าเราต่างหากที่ไม่ดีธรรมะนั้นดีแล้วแต่เราต่างหากเป็นคนไม่ดีหรือปฏิบัติไม่ได้เราต้องตาหนิตัวเราเองก่อนเพราะธรรมะนั้นทุกข้อมุ่งไปสู่การดับกิเลสจะดับกิเลสได้ขั้นไหนก็อยู่ที่การประพฤติ ป, ปฏิบัติของแต่ละบุคคลนีเน่เป็นเป็นเรื่องของ ธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ที่เราจะต้องศึกษากันให้เข้าใจเพราะกิเลสนี่เป็นอันตรายอันหนึ่งเวลาเข้าปฏิบัติเราก็ต้องออรู้สึกตัวเสียก่อนว่ากิเลสในตัวเราเนี่ยเป็นอันตรายร้ายแรงกว่าอย่างอื่นระหว่างปฏิบัติไม่ต้องกลัวหรอกว่าคนโน้นคนนี้จะมาทำร้ายไม่ต้องกลัวว่าไปปฏิบัติแล้วจะอดจะยากเรื่องนั้นเรื่องเล็ก แต่เรื่องใหญ่ที่สุดนะ่ะคือกิเลสในตัวเราระวังอย่าให้เกิดถ้าเกิดแล้วการปฏิบัติก็ไม่ได้ผลนี่เรียกว่ากิเลสันตรายะเป็นอันตรายข้อที่หนึ่งข้อที่สองกรรมมันตรายะอันตรายที่เกิดขึ้นคือกรรมคำว่ากรรมในที่นี้หมายถึงปัจจุบันกรรมคือผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้ถ้าหากว่าไปประกอบกรรมที่หนักการปฏิบัติธรรมจะไม่ได้ผล อย่างบางคนประกอบอนันตริยกรรมคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่คนที่ประทุษร้ายต่อพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคนที่ไปทำสังฆเภทยุยงสงให้แตกแยกจากกันบุคคลเหล่านี้ได้ประกอบอนันตริยกรรมถือว่าเป็นกรรมหนะักคือการทำให้พระสงฆ์ท่านแตกสามัคคีกันนี้ ผู้ใดก็าตามที่ยุยงสงให้แตะสามคัคคีต่อกันผู้นั้นถือว่ากระทําอนันตริยกรรมกรรมอันนี้หนักมากเมื่อกรรมอันนี้หนักแล้วผู้นั้นจะไปปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ผลเพราะกรรมอันนี้จะก่อกวนอยู่ทำให้การปฏิบัติเนี้ยไม่เกิดผลบางทีฟุ้งซ่านบางทีเป็นบ้า เราคงจะเคยได้ทราบบ่อยๆว่าบางคนปฏิบัติธรรมไปแล้วทำไมจิตเกิดฟุ้งซ่านขึ้นระหว่างที่ไม่ได้ปฏิบัติใช้ชีวิตเกลือกลัวกับกิเลสกับไม่รู้สึกอย่างไรแต่พอจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมบ้างจิตใจกับฟุ้งซ่านผันแปรไปบางคนวิกลจริตก็เลยทำให้เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดวิกลจริตขึ้น ความจริงการปฏิบัติธรรมในทางที่ถูกนั้นไม่วิกลจริตจะเป็นใครก็ตามปฏิบัติแล้วไม่วิกลจริตเว้นไว้แต่ว่าผู้ที่ปฏิบัตินั้นเคยประกอบอนันตเรียกรรมมาก่อนอนันตรียกรรมนี้อาจจะมาก่อกวนระหว่างปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำให้เกิดสติเสียไปทำให้เป็นคนวิกลจริตขึ้นหรือทาให้การปฏิบัติธรรมนั้นไม่เกิดผลอันนี้ก็เป็นได้ มีเพียงแค่กรรมธรรมดาไม่ถึงขั้นอนันตรียกรรมเนี่ยอย่างบางคนทำปานาติบาคมามากคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากอยู่ต่อมาก็ละเว้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วและก็เข้ามาปฏิบัติธรรมใหม่ๆนี่ไม่สงบเลยโยมบางคนนั่งบอกว่าพอหลับตาไปครั้งใดก็เห็นอะไรต่ออะไรภาพที่น่าเกลียดน่ากลัว รอจนเห็นภาพสัตว์ที่เป็นนิมิต ท, ที่เราเคยฆ่าเนี่ยมาขอส่วนบุญจะมาทําร้ายมางคนบอกจะมาทําร้ายมีพระองค์หนึ่งท่านปฏิบัติเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบอกนั่งๆไปบัวมันจะมาทําร้ายนั่งไม่ได้หลับตาไม่ได้หลับตาเป็นเอาเรื่องทุกทีบอกโค้สุดท้ายท่านปฏิบัติไม่ได้เป็นพระแล้วนะบอกหลับตาไม่ได้ อนาตาปฏิบติครั้งใดาภาพที่น่ากเกลียด น, น่ากลัวเนี่ยจะเกิดขึ้นมาก่อขวนทุกครั้งเราก็แนะว่าถ้าอย่างนั้นท่านต้องแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้สัตว์เหล่าเนี้ยที่ปรากฏเป็นภาพให้นึกทบทวนว่าเราเนี่ยเคยฆ่าสัตว์มาหรือเปล่าเคยฆ่าสัตว์อะไรบ้างก่อนที่จะนั่งก็ให้แผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลไปให้เขาเมื่อเรานั่งเสร็จแล้วก็แผ่ส่วนกุศลไปให้อีก พยายามแผ่เมตตาไปให้อยู่เสมอแล้วภาพลามนี่จะบรรเทาเบาบ า, บางลงจริงอยู่การเกิดมาในโลกมนุษย์นี้เราอาจจะประมาทพลั้งพลาดไปในบางครั้งเช่นเราไม่รู้เราจึงไปฆ่าสัตว์เราไม่รู้เราจึงไปรักทรัพย์เราไม่รู้จึงไปประพฤติผิดในกามเราไม่รู้จึงไปพูดเท็จ เราไม่รู้จึงไปดื่มสุราเมรยัยหรือของมื่นเมาต่างๆเพราะการประกอบกรรมชั่วเหล่านี้ด้วยความไม่รู้มีมากด้วยอํานาจโมหะธรรมเราก็สารภาพได้เมื่อเราเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นว่าที่เราด้วยมัวเมาได้ประพฤติสิ่งที่ผิดจะไปผลานชีวิตคลายๆก็าตามเราทำไปด้วยความโง่เขลาความมัวเมาของเราเอง จะโมเมาอำนาจโมเมาในยศถาบรรดาศักดิ์หรือมวเมาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามให้เราสารภาพบาปว่าเราได้โมเมาในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงได้ประมาทคลั้งเผลอทาลายชีวิตท่านไปอะไรต่างๆเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาไปให้บอขอให้อโหสิกรรมต่อเราเราขอแผ่ส่วนกุศลคือคุณงามความดีที่เราปฏิบัติเนี่ยให้กับสรรพสัตว์เหล่านั้น ถ้าเราทำอย่างนี้อยู่เสมอๆก็ปฏิบัติได้จิตก็จะสงบลงตามลำดับทำให้นิมิตที่เป็นกรรมนิมิตนี้หายไปได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องสาคัญเราประกอบกรรมอันใดไว้มากจนกระทั่งเป็นอาจินกรรมและถึงคราวเราจะมาปฏิบัติทำทำจิตให้สงบกรรมอันนี้มันจะมาก่อกวนอยู่แล้วก็จะเกิดขึ้นช่วงขณะหนึ่ง ขออย่างเดียวว่าอย่าละทิ้งต้องมีวิธีแก้ไขเพราะบางท่านละทิ้งไปเลยแล้วก็ไม่กล้าปฏิบัติตลอดชีวิตไม่กล้าปฏิบัติก็มีบอกปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติก็เนี่ยภาพนิมิตอันน่าเกลียดหน้ากลัวเนี่ยเกิดขึ้นเดี๋ยวดีไม่ดีแล้วเราตั้งสติไม่ทันก็สติจะเสียไปเป็นภาพนิมิตต่างๆมีที่วิทยาลัยเนี่ยมีสำเนารูปหนึ่ง รุ่นใหม่นี่ที่เข้าไปปฏิบัติรุ่นใหม่เข้าไปศึกษารุ่นใหม่ที่วิทยาลัยเรานั้นมีการปฏิบัติทุกวันสมณีต้องนั่งกรรมาฐานทุกวันอย่างตอนเช้านี่ตีสี่ก็